พระธรรมเทศนาแผ่นที่56ลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่7ตุลาคม2556มีชื่อเรื่องว่าสัตว์ป่าเขาก็มาอาศัยวัดนั่นไผ่ เป็นผู้ชำนาญการจับปลิกบ้าง่ะในวัดเท่านี่ยมือเส้าเนี่ยคำลังมันกําลั่งล่งขึ้นมาซาลาเดียแทนตู้ขาว่ะกานคำเป็นตู้ขาประยูนในซาลาเนี่ยโอ้ยมูลเอลเอล่เลยแถว ม, มันเดือนะลิงนะพรานั้นพวกกูบาทั้งหลายแหละนะมันต้องเตรียมกรงไว้กรงไหนเตรียมตะข่ายไว้กรงตะข่ายเอาเคยบอกไว้เลย ทั้งในข้างนอกเตรียมๆมกงใหญ่ๆจากนั้นก็ให้ลิงเอาอาหารพวกข้าวพวกอะไรให้ไปแต่มันก็ฉลาดนดเลีงของเขาเี่เลี้ยงปริญญาทรรมกษณ์นะพวกกุบาเนี่ปล่อยซีเอาหนไปบอแมนธรรมด า, ลาเลี้ยงบัดเข่านี่ฉลาดม น, นไปสมมติว่ากกงเนี่ยกกงใส่กล้วยไวเนี่ย เวลานั่นน่ยพระจับเธอหนึ่งสองเธอเท่านั้นแหละเออมันเลี้ยนรูดเลยพ่อจากนั้นม่านลูกน้องมันมานี่งหัวหนายายมันหนึ่มานนางู่ปากโก่งเด้เอตัวใดสิเขามานยิงแข่าเซลละมึงจะไปเข่าอันตรายคอนัทนมันว่ามันสอนลูกน้องมันพอปั่นลงพอสอนลูกน้องกูมือนแล้วทำไมเพราะมันที่เข่าโกงตัวใด มูมันสิเขาโกงหัวหนามมนะันเน่ยิงแขวะซะเลยออไปลูกนอกมันแตกหนีวัดฝนออกไปเพราะมันหัวหนามันอยู่ในปากปากไอ้ปากก่งมันเลยพอในในก่งโอ้ยกล่วยแขนสาวปราบโยนออกไปต้งลิ่งกูบาก็จะให้ลิ่งเขาเป็นหมดละที่แล้วเขาอายุเขาล่างเข้าไปสามสี่หกตัวกูบาก็ปดสายให่เละปิดตับโดนเนาะมันก็ปิดกนะูบาก็เขาไปจับจับจั บ, จบ ไม่ไมก็ไใดพูดละเกือบสิบตัวพดนดละใส่ใ น, นกขงพูดลนะเอาไปปลอยรบเล่าพูนะวัดทันเรื่องพงดลนะเนือ้อเนื้อทีปเป็นมืนไลพ่พนดะจากนี้ไปปลอยขอบป่านะจากนั้นก็มากก็จับเทวที่2สองเอทอีสาเอาอแหละปบะเนะี่ยหัวหนามันเห็นแหละมันเรียนหลุดไว้เนีหัวหนามันก็มานาั่งเฝ้าปา ก, กลงน ะ, ะตะัวใดมากก็ยิงแข่มันจะเข้าอันตรายราะฉะนัน เออเอาไป heit, ไมากเจ้าของเบื้องเห็นกล้วยมดคึดคืดหิวขึ้นมาวมดไปพราะกีก็มากกระโดดเขาไปแลยได้หดไปไ่ายเด็กกระโดดไปดึงกล้วยแต่นวยส่งนวยกระโดดออกเมาหมดไปไอคู่บาทีไอจีปศายไงเนี่เข็ดเข็ดเวีอยู่นมไปปศอท่านหมดมันมันว่าโพดหไป เล้วขนาดนั้นไปโดดปั๊บๆโดดนะปั๊โดดเลยไปมาแล้วมันก็มอมคู่บาขึ้เขาเน่คู่บาก็เตรียมทาแล้วบอลนี่เหตมอไปเน่ไปมันก็โดดปั๊บก็ไปหาก๊อเลยต่ำเลยมานโอ้ยมันมันอยู่ทางนอกมันเกงเน๊มันทาทายิงแข่าช่ไหนสพอมันถือกงแล้วบอลนี้เชยย่อมแพรทุกประตูเลยบ่ยไป ออหัวหนาไปถึงสี่ถูกว่าหัวหนานักเลงนะวอาจับมามานอะไเชิญวันไปย่อมแพ้วัาไปเพราะขาสู่ขาสู่ไรแล้ววัไปขาย่อมแพ้แล้ววันไปนั่นน่ะขั้นจับหัวหนาไปแล้วบ่ะเนี่ยเอาไปปล่อยคนน่ะปล่อยวัดหลงทันซักหน้าแค่บงังปล่อยวัดทันเที่ยงลุกเล่าบางบางที่ก็ไปปล่อยวัดทันสดบ่านเพิ่มบ้างมันไปบางทีมันกว้างเะย ทีมันบ่มีขอบเขตพ่อปล่อยไปแล้วบานะ้านเลยอีกบดนลเด้โป๊ะ เ, เกินบปเกินอาทิตย์วันโนไปมันก็เลือกหัวหน้าขึ้นมาใหม่อีกดนะ เ, อเด้เร่งเนี่ยเตือนให้เบิรกลดขั้นเขาออไปขั้นเฮวยางออกไปนะขั้นตัวใดงยางหางฉางหางตัง้งขึ้นมาหน่อย่างท่าทางโอยไอยโอยอเนะี่ะตัวนั้นหัวหนาเอาไป หัวหน้าใหญ่เละนะเห้เบืองหลอดปนู้ป่า น, ะาา น, นี่พนักจับนะี่ยจับหัวหน้าใหญ่ม้านเ้เศรได้เศรื่อเลยเพื่นหายสาเลยเพื่นไปเงียบเก็บอีกสักบ่ถึงอาทิตย์ดอกเลือกตังมาได้หัวหนาา้าใหม่ขึ้นมาเลยวพอไปหางตังคให้ก้อ น, น, นเอยเพอนหางตังย่างอยอ้ายอวอ้ยนไปต่กอนมนมีหัวหนา้าเลยนี่แหละลิ่ง มันตั้งหัวหนาไว้คห้กันเลยมันต้องมีหัวหน่าวนะไปหัวหนาตัวนี้มันรักษาความปลอดภัยเลยสมัยหลวงพ่อเป็นเล็กน้อยทั้งบ้านหลวงพ่อก็หลายด้แต่ว่าลิ่ยงไงกว่านี่โมเมนลี่งหน่อยอันนี้เขาเออนลิ่งกอกลิ่งทั้งบ้านหลวงพ่ออะรลี่งตัวบกใหญ่เวลามันเจอโลกให้เขาโพดตัวให้หมักอึหักอึหมักแตงเนี่ย อว่านายใหญ่ไม่ใช่ขึ้นไปพุ่นไปงอยอยู่ต้นไม้สูงสูงอี่ริมสวนพุ่นอ่ ะ, ะมันจะปล่อยให้ทหารมันเนีไปเมืองไปตรวจตำรวจดูสิว่ามีคนดักอยู่แถวนั้นป้อะงมันจะปล่อยโลมาสามสีหาโตนไปะปล่อยลิงอลูกเลี้ย ง, ง, งมูว่าน่ะมามันก็จอบจอบมองมองจู่ต่ำอะไรนั่ น, นเออ แต่ว่าคนนี่มันอยู่ในสุ่มสุ่มแบบหมืดเลยเด้มันก็เห็ตุนี่มันบาดท่าแล้วนะบาดเนยพอสามสี่หาตทหารกลาพันเบงบอมี่อย่างนั้แต่พอข้ามมันเหตุมันจะห้องกอกเลยไอ้บาดนี่กอกไปบาบอมากไก่ละบาดเนี่มันบ่เห็นบาดมบ่เห็นคนหาอย้างันมันบ่เห็นมันก็จะกินมักแตงได้วันน่ะได้มักแตงผู้ละน่วยก็ขึ้นไปบอกหัวหน้าเอาไปหัวหน้ายี่ต้นไม้ไปเนี่ยสูง หัวหนาก็ห้องกอกคนไปพ่อกอกนะมู ก, ก็แตกเฮ่ อ, อ, อมาจากในป่านไปโดดลงไปแล้วคนนี้ยพ่อจักมักอึอพ่จักมักแต่งเราโยบยำยบยำยบามเรารไปแต่เมื่อกันยงอันนั้นเด้ไอ้ลูกน้องมันทหารองคักหัวนาเนี้อแต่หัวหนาบ่าค่อยลงไปอยูย่ไก่ตะบานเลมาอยู่พี่พี่ ม, ม, มันอ่ะอ้มันก็กุ่ม มักแตงขึ้นไปก็ไปแหงหัวหนากินมาลงไปเนี่น ไ, ปไปหัวหนากัดนั่งไข่ไม้ยี่ห้อนึงกินมักแตงนอนลงไปนี่แหละบ้านในพวกเจ้าสวนเนี่ก็บหูจักเนี่ยมักหัวหนามันมัเคยมันลังอยู่แถวนี่ยเขาก็ไปซุมอยู่แถวนั้นเอาลงไป <c oughs> <c oughs> ค้นเด้อ่นไปค้นมันเก่งกว่าเรื่งเด้อนางอยู่ซุมอยู่แถวนั้ น, น, นเอ็ดซุมหน า, นา บาดแล้วก็ขื่นไปนั่งเฮ็ดไข่มาอีกกินอยู่นั่นป น, นปืนแกปบเขาก็ฟาดใช่ปักหัวหนาแล้วกอดนม น, นไปเออเปียงเลยาไปหัวหัวหนาก็ทวนเลยแหล้ะเลไปเขายิ่งหัวหนาไปบอ้วนน่ะลูกนอกเลยแตกไปก้นทีละ ท, ทางแคดวันงไปแคดโดนเติบไปเดี๋ยวก็มาเอกไปเนี่ยเลิ่งมาเป็นจันทละมันยานยุ่แต่มันยานมันญานบาทด มันว่ามันปัญญาเมืนก็แก่งขึ้กันนะนี่แหละหลวงพ่อเนี่ยเคยอยู่กับพวกสัตว์และสิงห์ลิ่งคางบางจะนีมากเลยสมัยเป็นเด็กหน่อยบานปลาบ้านหลงตีนผู้เขาเนี่แหละพาน้ํำย่อยนะ่นะพาน้ําย้อยนะ่ะที่นั่นนะ่ะพวกสัตว์ยังหันโอ้ลายวัดหลวงปู่ศรีมหาวิโรณ์นะ อันนี้มาอยู่วัดหน้าคําน้อยเขาเขามาเจอเรี่ยงอีกแล้วบานเนี่ยโอ้เรี่ยงตัวนี้ก็หลายเดี๋ยวนี้มันหลายร้อยเลยเดยเพราะว่าวันดียบับมาปีกว่าแล้วขายายพันเรี่มากๆเลยเมื่อกี้เนี่ยลงพอกําลังขืนชลาเนี่ยแตกยาวๆกัไปทั้งกุฏิลงพอเลยนะโอ้ลูกหลานมันนี่หลายไะบางที่ลงพอ เึินไปกูตีเนี่ยยางสวนทางลงมาเด้เนี่ยยางสวนทางลงมาลุงพ่อก็อย่างขึ้นไปสวนทางขึ้นไปมันก็หลีกทางนะะยังดีแต่มันบกนบทนางเราไปนั่งข้อมอกแก่แม่ยกขางทางไกล้ๆระมันจะแขนนี่รอลงไปลุงพ่อก็อย่างเสยไปเมื่อก็นั่งออุ้มลูกเอออุ้มลูกผูกหลานของมันเอาเล บางตัวมีทั้งหนา้ามีทั้งหลังมาัาลูกของมันน่ะโอ้สูญเจ้าไอ้ไปแต่ว่าเสียหน้าเสียหน้ายายของมันน่ะนั่งอยู่ในห้าวนัไปห้างห้างเต๋อไปเอเวลาเวลาหลวงพ่อย่างกายไปน่มันจะทําท่าเห่าไปอ่าปากเห่ า, หาไปมันอวดเขวมนันวนไป <c oughs> <c oughs> โอ้เขวมันยาวอีหลีเลยพวกปันเขยวม้านงไป ไม่แล้วนะปากคนไปโอ้มันอวดแขวมันนลยมามึงอยู่ไกลโพดปะมึงอยู่ไกลๆไม่เท่ากูจฟาดแขวมต้องแขวหักงั้นหรอปะนี่แหละโอ้หลายริ่งวัดเท่าเดียวนะเนี่ยมาบอกให้กู้บาเป็นตะจับกจับก็ดีที่กันเหตุก่งมันแต่มันก็บ่ดื้อแล้ววะแต่ข้าวกรนมันมีริ่งอยู่ตัวหนึ่ง อยากดื้อยุ่พราะเห็นคนเนี่ยทำายิงแขวใส่คนมันไปบางคนกัหิวอ้ยังไปเนี่ยันทายิงแขวากุดยานมันก็โยนให้มันมันไปมันก็เลยใดใจพ่อต่อมาเนี่ยมันขึ้นไปสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าหน่าวัดเมันไปจับมันไปจับสายไฟฟ้าสองเส้นใส่กันเพราะจับสายหนึ่งก็ยืดเส้นสายนึ่งมันตัวใหญ่เด้ โอ้มันก็ตําหล่นแล้วไฟสอดมันไปโอ้ตายตัวนั้นหัวหนายใหญ่มันพ่อตายจากท่านมากก็เลยเงียบไปหลายเติ๋อพนท์ลไปเนี่ยแหละเขาก็เลยถามว่าเอ๊ะตะกอนหัวหนายใหญ่มันไปใส่นอว่ะตะกอนมาดเห็นหัวหนายใหญ่มันอวยอายอวยอายอะรเนี่ยโอ้มันตายตะหลวงพ่อฉันไฟสอดมันโอ้ห่าสงสารมันเว้ยว่ะหลวงพ่อก็บสงสารมันคือกันเนี เหตุยังไดล่ะซัดตะวโรกมันผูกจากวั่งไฟเลยมันจับไฟสองเศนพ่อขึ้นไปแล้วก็มันพอจะยื้อหากันได้เลยก็ยื้อใช่เศนนั่นแล้วทุกคนพ่อยื้อเสนนนําก็สอดตัวไฟปไปตกลมาเลยตายนี่ยนะมือว่านมือก้อนก็เห็นลงพ อ, อยางเกิดไปจากกุฏิปไปชุ่มกันเมื่อนั้นอ่ะมือวันพระคืนไปไปเห็นชมด ภาษาบ้านเาว่าเห็นอมมันออกไปภาษาภาคกลางเขว่าชมดตัวบักใหญ่เลยว่าจะเป็นหลอดหลอดหมาบุ่นเลยแต่ตัวมันขาสันนะ่นตัวเตีย้ยแต่หางยาวหางยาวเป็นแขนนะแต่วตัวนี้ชอบกินกินไก่ไก่ไม่สนใจกินมัดเห็นชมดตัวนี้ในว่าไก่ในว่าเท้าบุกหอยหลายเลย ตั้งไก่ทั้งงูเหลือม ก, กินพวกไก่ไก่ป่านะไกป่ปลาแล้วบอกไ ข, อ e ขออม่มีมี่คือโยกขอกขั่วเนี่ยเห็นบวนกกล่างหนะลงพอบวเข้าวก้อนเลยคันพอมาหอดฉล่านี่มาเห็นฉล า, านั่มันจะลองแบบนี้เลยนะเวลาห้องขึ้นมาเนี่ยทั้งกระพือปีกพร้อมเด้ก็ na, เอิญ น, นกนกทั๋วหัวงอกกนไปภาษาบานเข้าว่านกถัว๋ว ภาษาทางภาคกลาง่านกกระลงังประมาณหาหกตัวพอมาเห็นซาลานะมันจะห้องนะไปเห็นกุติหลวงพ่อก็ห้องด้วกันเน่ยห้องใจอกใจใจอีเดีวนึ่งไปห้องทั้งพือนปีกคว่อมหนึ่งไปทั้งขนหัวก็หนหงองขึ้นมาอีกหนึ่งไปอ้าปากห้องหนะลวงพอ่ออมันมาเห็นซาลานมันมาเห็นกุติของพรนะเนี่ยมันมันก็เลยดีใจขึ้นมาหลวงพ่อ ว, าว้า ขืดวาวลงไปเออมันดีใจขึ้นมาโอ้ยคันบ่มีสาราลงพรคันบ่มีวัดนี่พวกผู้ข่าจะไปอยู่ซ้ายนเน่ไปอยู่สวนยางเขาก็ขาผู้ข่ามดแล้วสนอันนี้ได้รับความลมเย็นเป็นสุกเพราะมีวัดว่าศาสนาเนคู่บายจารย์พระสงฆ์คุมข้องมันเพราะมันมาหอดมันก็เลยลองเพลงศาสตร์ยประเทศไทยลงนำเนื้อศาต์เชือไทย ลงพ่อวาวหน่อยเออพอมาหอดพอเห็นเซรามันห้องเด้นะห้องจะาคอยไปนะเนี่ยมันห้องมันเข้าไปแล้วเนะี่ยแต่ละกลุ่มหมดไปนกกระลงังหากินเป็นหมูสัตว์หมดแล้วก็มีมูของมันหลายเลยมีก็ะหอกก็มีพวกก็ะหอกกระแตอยู่ทางใต้ก็ะหอกอยู่ทางทงนี่แหละชัด อยู่ในวัดของเข้าทั้งเม็ดมันมีกวางขวางพันกว่าไร่ทั้งปลาทั้งนกเอแต่ว่านาสงสารแต่นกเป็ดเท่า น, นั้นปีนี้มันจีลงไส ย, ยังวานทีปีที่แล้วในน้ำแห้งน้ำแห้งได้ทางหลังวัดของเข้าสาบักไงที่หลงตาคูดไยนะ่ยตะกอนบเคยแห้งชักเทือกลงไปปีนี้แห้ง พ่อแหงตะก่อกนนนกเป็ดมันลงมากเป็นพันปนุณหะว่ามันหน่อยเนี่นี่แหละเลิ่มมากเลยเนี่ยทีหนาวๆฉันก็เริ่มมากเลยเลิ่มมาลงสะแล้วกำจึกผึกงเลิ่อนไปจนสิเต็มสพะพล้ะห้องจิจัจิบจับจิบับจไปเบิงเบิงเนี่ยโอ้ไหลหลีแต่ว่าปีแต่ละปีหลวงพ่อก็บอกว่าพระอย่าไปใกล้มันเนอะแห่มันโลง่งซะกันพระไปหยิ่งมัน่นมันบินขึ้นไปแหละว่ดี เขาเช่าบ้านดรอขางเขาที่ยิงมั่นมันบินขึ้นไปแต่ก้อนมันก็บินตำเลยเพราะบินตําเลยเชาวบ้านก็ปืนถูกซ่องนลยยิงมั่นโอ้ตกตายไปพราะรงคว้วอยู่ต่อมามันกับฉลาดขึ้นกันนะเพราะมันบินขึ้นเนี่ยมันจะบินวดอยู่ในวัดก่อนบินวดในวัดสูงสะก่อนมันค่อยออกไปแตะกอนเพราะมันพ่นจากพรขึ้นจากหนองมัห้าไปลดลงไป เออเล่ยไปไอ้ใหม่ไปนงไปนะถือปืนเขาเนี่ยแหละเนี่สัตว์จุฬาภวัดของเราแต่ว่าปีนี้น่าสงสารอยู่หน้ามเขา่าหลายอีกปีนิโศกใส่สีแห่งนี่แหละที่ว่าตาภาพน้ามที่ลุงพอไปเห็ น, นป่ะาฝา น, นอกทะเหล็กถะลอกปอกเปิ่มัดมันร้อยบกมันหนีจากน้าแห่งไปเห็นแล้วนาสงสารมสัตวโลกนี่แหละ สรุปเลยก็คือทรัพยสัตว์ทั้งหลายเกิดมาใส่กรรมของไปของมันกรรมโมนีนาวัตติโลกโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้มันก็อยากมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็อยากปึกเกิดเป็นเทวดาอยู่แต่มันเฮ็ดยังไงล่ะอย่างมนุษย์เท่านี่แหะเกิดมาเป็นมนุษย์ละโอ้ผมพ่อใจนี่เป็นมนุษย์ออกจากภพนี้ชาตินี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นเทวดาและเป็นพระเถิด แต่ว่าพวกเข้าได้มาศึกษาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าอเกิดออกจากภพนิยชาตเนี่ยขอให้ข้าไปเจ้าพ้นทุกนายวัตะสงสารถึงพระในผพานโดยเทินอย่าได้มาเวียนว่ายตายเกิดไงมันทุกข์แท้เกิดเป็นมนุษย์กะจังสี่แหะเกิดเป็นสัตว์ที่ทะชานกะจังสันนะเกิดเป็นสัตว์ที่ทะชานแห้งทุกหลายเกิดเป็นเป็นมนุษย์กะทะมีอยู่มีกินกระจิงอยู่ แต่เวลาเจ็บไข่ได้ป่วยเฒ่าแก่ชร า, าพร้อมที่จะประสบอุบัติเทศมากมายหลายอย่างเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ทิ้งใจขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกนวรดาสงสารขอจะได้มมกเวียนวายตายเกิดตามทํำคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือความปรารถนาผู้ที่ได้ศึกษาได้ศึกษาได้ปฏิบัติ ตามรับรักถรำค้ำสอนของพระพุทธเจ้าตามถ้ำค้ำสอนของพ่อแมรครูบายจานเป็นในนําสั่งสอนมนุษย์ของเฮ้ากันว่าผูโบเชื่อการผูโบเชื่อเอา้าตามปภาษีภาษาลอยไปอกาอรโบเชื่อแล้วก็ บ, บรเฮตความซัวเฮตแต่ความดีมันก็อีกแน่นึงแต่โดยมากมันบ็เป็นดงสั น, นเลยการโบเชื่อบาปเชื่อ บ, บุญแล้วมันต้องมีทีรับที่แจ้ง ขั้นว่าบ่เห็นบ่รับค่อนข้นบ่เห็นเฮ็ดเฮ็ดเต๋มัดเพราะมันบ่เชื่อว่าบาปบุญมีใดแต่ว่าตามไม่จริงเพราะมันเป็นที่สั้นแล้วบานี่นั่นแหละไปตามกรรมลาบานี่ออกจากภพนี่ชาตินี่กับไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เป็นง้อควายสร้างหมาง้อควายเป็นเต๋มัดขนาดเป็นพระยังเป็นยังเป็นเล่นได้คือดูขนาด เป็นพระภิกษุแท้ๆยังตายไปเป็นเล่นได้ไปเป็นเห็นเป็นเล่นเป็นให้ได้นั่นแหะเพราะนัะ้นเรื่องวิญญาณมันไปได้ทั้งหมดทุกอย่างนั่นแหละขันจากงูจักกับยังทิวาเนะี่ยให้นั่งสมาธิขันนั่งสมาธิจะเห็นใดเดาเดาบ่ได้เ้ี่ยขันนั่งสมาธินี่จะเห็นใ ด, ด, ด, ไไ ด, น เ, นดเพราะนัะ่พวกเขาศึกษานะนั่งสมาธิบัง น, นะนั่งสมาธิคิดใจสงบป๊อ นึ่งลงไปแล้วหูได้ละร่างกายกับรถกับใจนคนละแนวกันหถมัเห็นเเห็นเลยชัดเลยร่างกายก็คือร่างกายจิตใจก็คือจิตใจคือกันกับรถกับโซเฟอร์รถเนะี่ยอย่างที่ลงพอว่ารนถะกับโซเฟอร์รถมันมันปฏิทิศกันเด้โซเฟอร์รถอีกต่างหากเด้รถมันอีกต่างหากเด้รถก็คือร่างกาย โซเฟื่อรถเนะึ่งคือใจคือตัวผู้ลูกคือน้ามาทํา้ำแต่มันอาศัยเมื่อมันมีชีวิตอยู่รถคันี้มันใส่ได้มันก็ขืนมากลยก็มันก็ขับรถเนี่ยนี่ใจหลวงพ่อเนี่งกับมาอยู่ในตัวหลวงพอ่อให้หลวงพอวอ่อว้าให้พวกสู้เจ้าฟังพวกสู้เจ้าเป็นรถกันจอดจุ ก, กับทีกันฟังติดเครื่องฟังอยู่นะแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้เบอกให้ฟังนี่แหละ ใครเป็นผู้ว่า น, ะนามธรรมมนโนปุพังคมาธรรมามนโนเศรษฐามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจใจคือนย้ก็ ค, คือโซเฟอร์นั่นแหละเนี่ยแหละคันนาเะเานั่งภาวานาจิตใจสงบแล้วเขาจุงหงจักชัดเจนเลยในจุดนี้นะขันาวาจิตใจบนสงบทุงจักราแยกบออกอัับพร น, นะท่านอโมตนาให้พร